พระบัญญัติ860ก็ภิกษุณีใดเข้าไปสู่ตะโกนภายหลักชันตระตาหานนั่งหรือนอนบนอัสนะโดยไม่บอกจ้ของบ้านต้องระบาดปลายเจ็ดตีเรื่องภิกษุณีทุล